ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรข้าราชการสง ส, งสินเพื่อนสละมิต ร, ท, ท, รายยา ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ทีระยะเทธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะหลายๆท่านก็มาอยู่รับปีใหม่ที่นี่กันนะก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็น่าจะประ ช, ช, า ช, าชาชนส่วนใหญ่ ยังก็มุ่งจะไปสถานที่ท่องเที่ยวกันมากกว่าไปภาคเหนือเป็นส่วนใหญนะ่เพราะว่ามีสิ่งต่างให้ดูให้ชมนะให้เพลิดเพลินสนุกสนานมากมายนะหรือแม้แต่ในภาคอีสานคนก็มากันเยอะตนะามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็คนแน่นเอียดไปหมดเนาะแต่คราวนี้พวกเราก็ตัดสนใจมาวัดกัน ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเออเรามาได้ประโยชน์อะไรนะก็คือเรากลับมาศึกษาตัวเรานั่นเองเนาะมาหาโอกาสนะปฏิบัติธรรมนะได้อยู่กับตัวเองบ้างนะจากการที่เรามีกิจนะการงานในทางโลกมาตลอดปีนะนะเราก็มีโอกาสพักยาวในะช่วงปีใหม่หยุดถึง5วันติดกัน เป็นช่วงที่เร า, าตัดสินใจแล้วว่าเราไม่ไปท่องเที่ยวที่ไหนนะแต่กลับมาอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นนี้เพื่อเรารู้จักตัวใจของเรานั่นเองเนาะกลับมารู้จักจิตใจของเร า, าได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับวัดทำได้มีโอกาสาทาวัดชา้าวัดเย็นนะปฏิบัติธรรม อย่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะั่นที่เราตัดสินใจมาวัดกันนะการที่เราได้ศึกษาจิตใจของเราเองนี้นะเป็นสิ่งที่เราถือว่าสําคัญที่สุดนะกลับมารู้จักทั้งหมดก็คือทิตใจของเราเท่านั้นเองก็ว่าถ้ารู้จักสิ่งต่างรอบโลกนะจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นี่แหละมีความรู้ความชํานาญในศาสตร์ต่างๆมากมาย อาจจะได้ปริญญาเอกไหลๆปริญญาก็ได้นะศึกษาไม่เท่าไหร่มันก็ไม่จบไม่มีวันที่จะจบสิน้นนะก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองนะยิ่งมีความรู้เยอะก็ยิ่งทุกข์เยอะนะไม่มีวันจบนะศึกษาเท่าไหร่นะแต่ถ้าการที่เราสามารถศึกษาจิตใจของเราได้แล้วนะนะมันยิ่งมาศึกษาอจบปริญญาเอกนะเพราะมันเป็นการจบได้ เรียกว่าจบความทุกข์ในใจของเรานั่นแหละถ้าเราจบความทุกข์ในใจเรามันก็จบทุกอย่างก็จบในตรงนั้นนะมันไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาศึกษาเรียนรู้จิตใจเราเนี่นแหละมันจะได้จบกันนะมันจะจบได้ไหมนะก็คือมันก็จบได้นั่นเองนะการจบนี้มันหมายความว่าเราจบความทุกข์ในใจของเรานั่นเองนะ ถ้าจบความทุกข์ในใจแล้วมันก็คือที่สิ้นสุดแล้วนะก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะตรงนี้เ็าเรียกว่าเราได้ทำนะประโยชน์ในชีวิตที่เราเกิดมาในครั้งหนึ่งนีได้อย่างสมบูรณ์นะนะเพราะความทุกข์นั้นนะมันมีอยู่สองอย่างคือความทุกข์กายและทุกข์ใจความทุกข์กายนะก็อย่างที่เราประสบมานะก็มีการนะเกิดแก่เจ็บตายนะก็เป็นความทุกข์ ประจําสังคารแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วความทุกข์ในการที่เราอประสบกับสิ่งไม่รักก็เป็นทุกข์ประสบกับอพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์จากความโศกเศร้าพิไรลำพันมีความทุกข์กายทุกข์ใจ คือความทุกข์กายนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะมันเป็นแค่เราแค่บรรเทาเท่านั้นเองแต่เขาไม่อาจที่จะดับได้ถาวร น, นะอย่างเช่นความแก่ความเจ็บความตายแล้วนี่ไม่พ้นอยู่แล้วนะความทุกข์ทางกายที่จรมาความปวดเมื่อยนะเราอาจจะเดี๋ยวเปลี่ยนยบทปวดยืนเดินนั่งนอนก็เปลี่ยนได้ชั่วคราวก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยไปนะหิวก็เป็นทุกข์ เราประทานอิ่มแล้วมีความสุขประเดี๋ยวก็หิวใหมนะ่หรือมีความร้อนเนี่ยเราก็ไปอาอาจจะอยู่ในที่เย็นๆแต่เดี๋ยวก็ร้อนใหม่นะอาการหนาวแล้วก็หม่มเครื่องนุ่งหม่มนะเสร็จแล้วนะมันก็หนีความหนาวไม่พ้นนะนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นสิ่งเราต้องประสบแน่นอน แต่เราแก้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะส่วนความทุกข์ทางใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขนะก็คือสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดนะดับได้อย่างเด็ดขาดเลยความทุกข์ทางใจนี่แหละอย่างเช่นพระอรหันต์เป็นต้นนะท่านไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วนะแต่ความทุกข์ทางกายก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถยอมรับได้แต่ความทุกข์ทางใจท่านไม่มีนะ เพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาศึกษาพุทธศาสนาทั้งหมดนี้ก็เพื่อความดับทุกข์ทางใจเท่านั้นเองเนาะไม่ได้ดับทุกข์ทางกายนะครับนี่ถ้าเรามาเข้าใจในตรงนี้แล้วว่าเออศึกษาพุทธศาสนานี้เพื่อดับทุกข์ทางใจนี่มันก็เลยกลายเป็นความถูกต้องนะเพราะจริงๆแล้วในพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไรเยอะเลยนะก็มนะีพูดถึงว่าเหตุงการเกิดทุกข์มีอะไรนะแล้วก็การดับทุกข์นั้นนะคืออะไรเท่านั้นเองนะ เหตุแห่งการเกิดทุกข์กนะ็เป็นเหตุให้มีทุกข์ตามมานะเหตุการเกิดทุกข์นะก็มีตมุทยัยนะก็คือตัณหานั่นเองนะตัณหาก็มีการมตัณหานะคือความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงพุทธพะพรธรรมลมนะประการแรกประการที่2ก็คือภวตัณหา ก, นะก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลาย ประการนิสัยก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งหลายนี่นะัละก็คือวิภาวตันหานะก็คือตันหาศาสตร์นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาถึงเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้รจักว่าเออเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องละไปนะเป็นการที่เราต้องละก็คือละตันหานั่นเองนะเนะมื่อละตันหาแล้วเนี่ย ทุกก็ต้องดับไปเพราะทุกนี่เราไม่ต้องไปละนะทุกไม่ต้องไปละทุกนี่เราแค่รู้เท่านั้นเองนะเหมือนกับที่ในอริสสสีก็บอกไว้แล้วนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้เนะพราะฉะนั้นทุกเนี่ยเราแค่รู้ก็พอแล้วแต่เราไปละที่สมุทัยแทนนะเมื่อละสมุทัยได้แล้วเนี่ยทุกก็ดับไปด้วยเนะพราะสมุทายนี่ก็คือเหตุของตัณหาทั้งหมดนะอยู่ตรงนั้นนะเช่นความอยากได้นี่แหละ พอเราอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์อีกความอยากได้ก็การมาตัณหานั่นเองนะพอเราไม่ได้ในสิ่งนั้นก็มีความไม่พอใจมีความเครียดมีความหงุดหงิดตามมานะตรงนั้นคือความทุกข์แล้วเมื่อเราละที่ความอยากได้ทุกข์ก็เลยดับไปด้วยนะเราไม่ต้องไปละที่ทุกข์แต่เราแค่รู้เขาก็พอแล้วเพราะนั้นทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้บ่อยๆเราต้องเห็นทุกข์บ่อยๆนั่นแหละ พอเราเห็นบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเออทุกเป็นสิ่งที่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะไม่ได้อยู่ในใจเราจริงๆหรอกะทุกก็มาในรูปแบบอะไรนะทุกมาในรูปแบบอทางกายนี่เราไม่ยุ่งแล้วนะเพราะเรารู้ว่าดับทุกมันต้องดุกดับที่ใจเราเราก็มาดับในเรื่องของจิตใจนั่นเองนะอส่วนทางกายเราไม่ไปยุ่งกับเขาะเป็นหน้าที่ของหมอบ้างอเป็นหน้าที่ของอ ยาต่างๆนะหรือการออกกำลังกายสิ่งต่างๆนั้นเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแต่เราแค่รู้ว่าความทุกข์ทางใจนี่คืออะไรก็พอแล้วนะความทุกข์ทางใจก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะที่เกิดขึ้นนอารมณ์ต่างๆถ้าแยกออกามาก็เป็นเป็นลากนะเป็นลาของกิเลส ท, ทั้งหลายก็มีความโลภความโกรธความหลงนี่แหละอ่า หัวหน้าใหญ่นะความโลภหรือราคาเนี่ยก็มีลูกน้องเยอะๆเลยนะหัวหน้าใหญ่ราคะก็มีลูกน้องเป็นความอยากได้เป็นความยินดีความพอใจความพึงใจความดีใจทั้งหลายแหล่คือลมที่มันเป็นบวกทั้งหลายแหล่นะที่ทำให้เราชอบใจทั้งหลายน่และส่วนโทสะก็เป็นหัวหน้าใหญ่ ก็มีลูกน้องเยอะแยะนะความโกรธความเครียดความพยาบาทความกลัวความเหงาความน้อยใจความเสียใจความอิจฉาความหึงหวงอารมณ์ทั้งหลายเราเนี่ยก็คือลูกน้องของโทสะนั่นเองนะก็คือความยินร้ายความไม่พอใจต่างๆนี เป็นสิ่งเราต้องรู้เท่าทันน ะ, ะเพราะฉะนั้นลูกน้องของความเป็นโทสะเนี่ยเยอะมากส่วนมากเราก็จะเกิดความไม่พอใจอ่างต่างก็เพราะโทสะนั่นแหละส่วนที่ความยินดีทั้งหลายก็เกิดจากราคานะนั่นแหละเพราะฉนั้นเราจะในชีวิตประจําวันเราอาจจะมีราคะคือความยินดีนอยู่ประจําอาจจะมีโทสะคือความยินร้ายอยู่ประจำํำสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันเรานะครับ แต่ถ้าเราไม่รู้นะว่าขณะนี้เรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะเราก็รู้จากหัวหน้าใหญ่เขาก็แล้วกันนะบางทีเราดูอาจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ขณะนี้มีความเครียดก็ไม่รู้ก็รู้ว่าเรากําลังมีโทสะ ก, ก็ใช้ได้แล้วหรือมีความยินดีก็ไม่รู้นะแต่เราก็รู้ว่าขณะนี้กำลังมีราคะก็ใช้ได้แล้วก็คือรู้จากหัวหน้าใหญ่เองนะแต่ถ้าเราสามารถรู้รายละเอียดต่างๆขณะนี้เรามีอารมณ์อะไรเราก็รู้ทัน มีความเครียดก็ดูทันนะอมีความยินดีเล็กๆน้อยๆก็ดูทันมีความเหงาก็ดูทันสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้รู้ข้อย่อยมากขึ้นนพอเรารู้ข้อย่อยเราก็จะเริ่มอแยกแยะอความปรุงแต่งในใจเราได้ชัดขึ้นนะก็คือเห็นอเห็นแขกที่มาเยี่ยมเนี่ยได้ชัดเจนนะ อ, อคนนี้แขกนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเราก็จะเริ่มจําหน้าตาของแขก ค, คนนี้ได้แล้วนะ ที่หลังนี่เราไม่ต้องเห็นเต็มหน้าหรอกเราจะเห็นแปบบ๊แบๆบเออเห็นเงาเขาปรากฏในใจเรารู้แล้วเออขณะนี้กำลังมีลมอะไรเกิดในใจเนาะเรารู้แค่เฉยๆเท่านั้นก็พอแล้วเขาก็อยู่ไม่นานเข า, นะเขาก็ไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกแต่เขาแวะมาเยี่ยมเราชั่วคราวเท่านั้นนะแต่เราไปต้อนรับเขาดีๆเออมีแขกมานะเ อ, อ้า เอาอาหารต่างๆมาให้เขาทานนะเอาน้ําให้เขาดื่มตอนรับเพียงดีเขาก็อยู่กับเรานานนะเขาก็ไม่ไปง่ายๆนะการเราต้อนรับก็คือเราไปให้ค่ากอารมต่างๆนั่นเองเนาะเขามาแล้วก็ไปสนใจเขาไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นนะมีใครเขามาตําหนิเรานิดนึงอนะก็ไปคิดวนเวียนเออมาว่าเราได้ยังไงนะไม่รู้หรือเราเป็นใครนะอ่านตะีกเรื่องแค่นี้มาว่าเราะ ไปคิดบำเ้็ญก็คือเราไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นนะหรือเราอาจจะเห็นสิ่งต่างๆมีชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างจริงๆแล้วสิ่งเราเห็นเขาก็ผ่านอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าเราให้ไปให้ค่าสิ่งนี้โอ้สวยงามนะอยากจะได้นีไปติดใจในตรงนั้นก็คือการให้ค่าเขาก็อยู่กับเรานานหรือสิ่งนี้น่าเกลียดนะไม่อยากมองนะไม่อยากเห็นเลยเขาไปให้ค่าเขานะก็อยู่ในใจเรานานนะ คนก็มาด่าเรานะเราไปให้ค่าล้วก็วนในความคิดนานเนาะหรือใครมาชมเราก็ไปวนในความคิดนี้ก็อยู่กับเรานานก็คือเราไปให้ค่านะ ค, คือไปต้อนรับนะเขาก็อยู่เรานานเขาก็ไม่ผ่านนะแต่จริงๆล้วพอเราไม่ให้ค่าไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยนะก็คือเราไม่ต้อนรับเขาเขาก็ไปทัน ท, นทีไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกนะเพราะนั้นความทุกข์ก็คือ ให้เรารู้เท่านั้นนะแล้วก็วงเล็บและขีดเส้นใต้ว่ารู้เฉยๆนะรู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปขับไล่เขาแล้วก็ไม่ต้องไปให้ค่าเขาเขาก็ไปเขาเองนะอืถ้าเราไปขับใสผักผักใส่เขาออันนั้นก็ชื่อว่าเราอ่า ไ, ไปพยายามละเขาแล้วอานะนี้ก็ไม่ถูกต้องอเราทํากับอริยสัตว์ไม่ถูกต้อง เขาทุกเป็นแค่รู้เท่านั้นเองนะแต่กลายไปผักใสก็คือไปขับไล่เขาอ่าเขาก็ไปได้ชั่วคราวเดียวเขากลับมาใหม่เพราะยังไม่ได้แสดงความเกิดดับที่แท้จริงให้เขาให้เราดูนะแต่ว่าเขาดับโดยฝีมือเรานะฝีมือเราว บ, บในกายเราเก่งแล้วนะนะเราเก่งนะความเก่งนั่นจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งจริงๆหรอกแต่ไปบังคับเขานะบังคับเขาเอา่าให้เขาออกไปนั่นแหละ เดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่เพราะยังไม่ไปจริงๆนะแต่ถ้ารู้เฉยๆนี่เขาก็ไปเขาจริงๆแล้วนะเขก็ไม่วนกลับอีกเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆก็พอก็คืออารมณ์ทุกอย่างเราก็รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ไปไปหักใส่เขาไม่ไปให้ค่าเขานี่แค่เนี้ยเราก็เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดดับตามความเป็นจริงแค่เขาจะอยู่นานก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปนั่นแหล ะ, นะในที่สุดเราก็จําสภาวธรรมได้แม่นยำนะ จะจำกิเลสตัวนี้ได้ชัดเจนเออเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นอย่างไ ร, นะหาาไงไรให้ดูหน่อยซเซ่พนะอจำก็ได้แม่นทีหลังเข้ามาปุ๊บเราก็รู้ทันก็รู้เฉยๆเขาก็อยู่ไม่นานนี่ก็ไปอีกนะนะครนี้การนี้เราเห็นอารมณ์บ่อยๆนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเราเห็นบ่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสาระกันสารอะไรนะเขามาก็ไปมาแล้วก็ไปนะไม่มีสาระกันสารจิตก็ เริ่มที่จะเข้าใจในความที่ว่าของเขาเองก็คือทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เกิดจากเราเราก็จะได้สังเกตได้ชัดเจนการที่จะสังเกตตรงนี้ก็คือเราเห็นบ่อยๆนะในอารมณ์ต่างๆก็เกิดของเขาเองนั่นแหละไม่ได้เกิดจากเร า, าจริงๆหรอกแต่ที่ว่าเป็นของเราเพราะเราไปเข้าใจไปปรุงแต่งเองนะเช่นความคิดเป็นต้นเนี่ยเห็นชัดเจนนะ เราเห็นความคิดให้ได้ก่อนะเห็นความคิดเออเขาคิดเขาก็เองนะเดี๋ยวยิ่งไปบัติธรรมยิ่งเห็นชัดเขาอยู่บ้านไม่ค่อยคิดเลยพอมาไปบัตรธรรมทําไมคิดเยอะแยะก็พราเราเริ่มเห็นความคิดแล้วน่ะเพราะความคิดก็ทํางานเขาเองอยู่แล้วนะเราไม่ได้อยากคิดหรอกก็คิดของเขาเองนะความคิดก็มีสองอย่างคือความตั้งใจคิดและอไม่ตั้งใจคิดอความตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรนะก็คิดแล้วจบไปก็จบแล้วนะ แต่ถ้าความไม่ตั้งใจคิดเราจะเห็นว่ามีเยอะแยะวันๆนึงคิดไม่รู้กี่เรื่องนะตรงนี้เราก็เมื่อเห็นไปบ่อยแล้วจิตใจจะเข้าใจเองว่าเออเขาก็ทํางานเขาเองนะไม่ใช่ว่าเราอยากคิดนะเพราะเมื่อเขาก็ทำงานเองก็จึงเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งไม่ให้ตัวเมตตนของเรานะเราจะเห็นว่าเออจริงๆจิตใจก็ทํางานเองจึงบังคับบัญชาก็ไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่ให้ตัวเมตตนของเรา แต่ถ้าเราบังคับบัญชาก็ได้เออต้องไม่คิดนะต้องหยุดคิดนะหรือคิดแต่เรื่องดีๆนะหรืออ่านะเรื่องไหนที่น่ายินดีนะให้คิดนานเรื่องไหนที่ <c oughs> ดินร้ายก็อย่าไปคิดนาน <c oughs> ถ้าบังคับเข้าได้เช่นนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ความเป็นหน้ตาตาโตๆเราก็จะสูงขึ้นมาอีก <c oughs> กลายว่าเราสาบานบังคับบัญชาก็ได้เมื่อ <c oughs> บังคับบัญชาความคิดได้นะ ก็แสดงว่าอเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราคนระับแต่ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ว่าเออความคิดก็ทํางานเขาเองนะเราก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนนะมันก็มองเห็นในตรงนี้ได้ชัดเจนอนะเข้ามาแล้วก็ไปนะนะพอเราเข้าใจเรื่องความคิดก็จะไปเข้าใจอารมณ์ต่างๆได้ด้วยว่าเข้ามาแล้วก็ไปของของเขาเองนะไม่ใช่ว่า่านะเราทําให้เขาเกิดแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเกิดตามเหตุตามปัจจัย เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็ดับตัวเองนะทุกๆอารมณ์เลยก็เป็นแบบนั้นทั้งหมด <c oughs> เพราะฉนั้นเราจึงไปดับจริงๆเนะี่ยไม่ได้แต่เราสามารถเนี่ยรู้เท่าทันได้นะ <c oughs> แล้วก็เราไปไปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในตรงนี้เราจะเราจะรู้สึกว่าเราปฏิบัติไม่ก้าวหน้า <c oughs> เออปฏิบัติมาต้องห้าปีสิบปีแล้ว <c oughs> ทําไมยังหลงอยู่นะทำไมยังฟุ้งซ่านอยู่อ <c oughs> ทําไมยังมีความคิดเยอะแยะ ถ้ามันยังโกรธอยู่นะโทษเราไม่เข้าใจว่าสภาวะเหล่านั้นเขาเกิดเขาเ้าเองนะแต่เมื่อเราเข้าใจเราไปบัตรธรรมมานานแล้วทําไมเขาไม่หมดไปนะเราก็มีความทุกข์ของเราเองนั่นแหละเพราะเราไม่ได้เข้าใจสภาวะความจริงว่าเขาเกิดนะโดยเหตุตามตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราทําให้เขาเกิดหรือว่าเขาเกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วการบัตธรรมเราก็จะเข้าใจว่าเออ เป็นสภาวะที่เราสามารถเห็นได้เท่านั้นเองว่าอเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็คืออมันเป็นการเกิดและการดับของสภาวะธรรมของเขาเองนะตรงนี้เราก็จะเข้าใจถึงความที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้จริงๆแล้วก็จะออกจากตัวตในใตรงนี้ได้นะอคือเราจะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วในความที่ว่าไม่ตัวเมตตนเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาเกิดจากเขาเองนะแต่ถ้าเราไปวัดธรรมไปแล้วเมื่อวานนี้เราดีนะเมื่อวานเราดี แต่วันนี้เราปฏิบัติแล้วมันไม่ดีเอมื่อวันมีสติทั้งวันวันนี้ไม่ค่อยมีสติเลยนี่เขาก็แสดงสภาวธรรมอีกว่าถึงความไม่เที่ยงน ะ, ะเราไม่อาจจะทําให้เขาดีได้ทุกวันอันนี้ก็คือของจริงอยู่แล้วนะอะแต่เมื่อเราสามารถที่จ ะ, ะเราไม่อาจที่มองเห็นที่ว่า เข้าดีได้ทุกวันนะเราก็มีความทุกข์เออเมื่อวานทําไมเราดีนะวันนี้เราทํำไมไม่ดีเราก็มีความทุกขนะ์ก็มีการดิน้นรนทางจิตที่จะทําไม่ดีทุกๆวันนะนั่นคือการดิน้นรนด้วยความทุกข์อีกใช่ไหมแต่เรามองกลับมาที่ความจริงในพะระไตรลักษณนะ์ว่าจริงๆแล้วที่เขาไม่ดีนี่แหละเป็นการแสดงความจริงของพะระไตรลักษณ์แล้วถึงความไม่เที่ยงนะเพราะความไม่เที่ยงคืออัศจ ร, รรมนั่นเองนะอ่านะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ตกในกฎของภาะอัศจรรม เพราะงั้นการไปทำเราก็ตกในกฎภาษาเจตธรรมเหมือนกันก็คือพัทัยรักคราวนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเพราะการที่ไม่เที่ยงก็คือเขาแสดงพัทัยรักให้เราเห็นแล้วว่ า, วาเออเมื่อวานดีวันนี้เราไม่ดีนะเขาแสดงพัทัยรักให้เราเห็นพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บจิตก็จะวางเลยนะจากความทุกข์วนะ่าเออทาไมเราไม่ดีทุกวันทําไมเราไม่ดีถาวร น, นะพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บจิตเราก็วางได้เลยนะ มันก็กลายว่าเราสามารถสัมผัสความยิงกับพระไตยลักษณ์จากการปฏิบัติธรรมนี้แหละเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการเจริญสติก็จริงนะให้เรามีสติต่อเนื่องกันให้เราสามารถที่จะระลึกได้เร็วขึ้นได้อยู่กับตัวเองนะได้มีความรู้สึกตัวนะแต่ว่าผลพลอยได้ของสติที่เราปฏิบัติอยู่ก็คือเราได้เห็นพระไตยลักษณ์ในตัวด้วยนะอยู่ที่ว่าเราเห็นแล้วเราสามารถที่จะอ่า เข้าใจไหมหรือสรุปในใจของเราได้เองไหมว่าอาการที่เราวันนี้ไม่ดีนี่แหล ะ, ะมันคือประไตรักษ์คือความไม่เที่ยงที่แสดงให้เราเห็นแล้วนะเพราะความไม่เที่ยงนี้อาจจะเราเคยได้ยินมาตั้งเยอะพูดถึงความไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงเคยอ่านหนังสือมาตั้งเยอะแต่จิตเขาไม่เคยเรียนรู้จากของจริงนะแต่ถ้าการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือให้เขาเรียนรู้จากของจริงให้เขาเห็นเลยว่าออไม่ไม่เที่ยงเป็นอย่างไรนะ ไม่เที่ยงอย่างไรไม่เที่ยงเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนะตรงนี้จิตจะค่อยๆเข้าใจได้มากขึ้นเนะมื่อเขาเข้าใจพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตก็จะวางเขาเองนะเขาจะวางจากการที่จะไปเอาอะไรจากการยึดติดจากการที่ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายว่าจิตเนี่ยสามารถที่จะวางอารมณ์ในการที่จะไปเอาเสียงต่างได้นะจิตก็เป็นการคลายความยึดมั่นถือมั่น ในสภาวะธรรมนะเห็นสภาวะธรรมเป็นแค่ความเกิดและความดับเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตัวเมตตนะจิตก็สามารถที่จะาวางนะจากการที่ที่จะไปต้องการที่จะเป็นตัณหาในความอยากมีอยากเป็นคือภาวะตัณหาก็วางได้แล้วก็วางวิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยาก ม, ไมีไม่อยากเป็นในการผลักใสอารมณ์ไม่ไดีให้ออกไปนะ อารมณ์ในความที่เมื่อวานดีวันนี้เราไม่ดีเป็นความลมที่ไม่ดีก็พักใส่ไปด้วยเพราะเราเห็นความจริงแล้วว่าไม่ได้ไปพักใส่เขาเพราะฉะนั้นจิตก็เลยวางอาตันหาคือสมุทัยได้โดยเด็ดขาดเนาะเมื่อวางได้เด็ดขาดแล้วนั่นแหละก็คือวางาสายแห่งความทุกข์ไดนะ้เมื่อเราวางได้แล้วจิตก็จะเข้าสู่นิโรธได้เองนะเข้าสู่นิโรธก็คือจิตจะเกิดวิลาคะ นิโรโทรจาโคปฏินิสโคมุตินารโยตามมานะก็คือจิตจะเกิดการคลายตัณหาเวลาคะการที่จางคลายไปของตัณหาหรือการคลายออกตัณหาเกิดนิโรโทรคือการดับไม่เหลือตัณหาเกิดจาโคคือการสละออกตัณหาเกิดปฏินิสโคคือการสลัดคืนตัณหาเกิดมุติการปล่อยการบางของตัณหาและเกิด มานารโยคือการทำให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนะตรงนี้จิตก็จะวางนะจากตัณหาได้นะเมื่อวางตัณหาได้ลูกก็เข้าสู่นิโรโทรเลยเ ก, ก, ก็คือเข้าสู่นิโรธเลยนะเพราะนิโรธ ก, ก็คือการที่ดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองนะก็คือโยตัสสาเยวะตัณหายะเสสะวิลาขะนิโรโทก็คือการดับไม่เหลือตัณหานะเพราะนั้นคำว่านิโรธนะนิโรธ ก, ก็แปลว่าความดับ นะนิโรธคือดับทุกนีิเราก็คือการดับทุกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราไปบัตรเพื่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อการดับทุกนั่นเองมันก็ตรงกับนิโรธนะที่นิโรธก็คือความดับทุกนั่นเองเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกนะจึงเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วเราดับนะเมื่อดับแล้วนะั่นแหละก็คือการที่ทําให้ที่สุดแห่งทุกแล้วพนิพพานก็อยู่ในตรงนั้นนะนะถ้าเราไปเข้าใจว่าพนิพพานอยู่ห่างไกล ต้องรอไปชาิหน้าช า, โชาิโน้นชาติไกลๆโน้นจึงจะถึงนิพพานมันก็ไม่ถึงนกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราไปบัตธรรมนะเราไม่ได้ไปหวังพระนิพพานหรอกแต่ไปบัตเพื่อให้ความทุกข์ในใจเราลดลงน้อยลงเท่านั้นก็พอแล้วจริงๆถ้าเราเข้าใจแค่เนี้พระนิพพานก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะไม่ได้อยู่ไกลไม่ต้องไปรอชาดหน้าชาิโน้น แต่เราสามารถที่จ ะ, ะดับทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้นะมันไม่จะเวรอไกลขนาดนั้นเพราะเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกทางแล้วเราจะเริ่มเข้าใจนะว่าความทุกข์ในใจเราเริ่มจะลดลงอนะกินเลยเราก็จะลดลงไปด้วยนะจะเห็นว่าความโกรธเรานะก็ลดลงไปด้วยนะถ้าเราปฏิบัติแล้วนะเราสังเกตเออทําไมความโกรธเรายังเท่าเก่า หรือความโกรธเรามากขึ้นหรือความทุกขเรามากขึ้นก็แสดงเราปฏิบัติไม่ถูกทางนั่นเองนะแต่เราไปบัตแล้วเออเราสังเกตได้ว่ากินเลสในใจเราลดลงความทุกขเราลดลงนั่นแหละแสดงเราปฏิบัติได้ถูกทางแล้วนะมันก็เป็นคนทางที่ว่าเราเดินได้ถูกทางแล้วอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองนะว่าเราทําถูกทางไหมเห็นไหม เพราะเมื่อเราค่อยๆกินเลสมาลดลงความทุกข์ก็เลยลดตามไปด้วยมันเป็นการที่เราว่าเราไม่ใช่ว่ากินเลสต้องดับอย่างทันทีนะเหมือนกับภายในคืนเดียวพอวันรุ่งขึ้นไม่มีกินเลสอะไรเลยนะอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะก็เรียกว่ามาปฏิบัติแบบฉับพลันนะแล้วก็จีตกลักกินเลสได้เด็ดขาดอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านทาได้นะแต่บางที่เราจะบารมีไม่ถึงครูบาอาจารย์แล้วเราจะทาอย่างไร ก็คือเราก็สามารถทีละกิเลสไปตามลําดับไดนะ้การละตามลําดับก็เหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่เราก็สังเกตไ ม, ไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆ เ, เราเห็นว่ามันก็ดับได้เหมือนกันนะอันนี้พระเจ้าก็เปรียบเทียบไว้ย่างงี้ว่าเหมือนกับช่างไมนะ้ที่ใช้อมีดในทำการทําเครื่องมือต่างๆนะก็ไม่รู้หรอกว่าดามมีดสึกไปวันละเท่าไหร่ แต่เมื่อใช้นานไปก็จะสังเกตว่าดามมีนิสึกไปบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปบัตดทำเราก็ไม่รู้หรอกว่ากิเลสเราหมดไปหรือน้อยลงไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปบัดเป็นนานพอสมควรเราจะเริ่มเห็นว่าเออกิเลสเราก็เริ่มลดลงน้อยลงความทุกข์ก็เริ่มน้อยลงแล้วนั่นคือการสึกของดามมีนะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปบัติแล้วมันไม่ได้ผลอะไรไม่ได้อะไรนะแต่จริงๆแล้วมันก็ได้อยู่นะแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นเองนะ คันนี้ที่บอกว่าเออเราไปบัตรอะไรก็คือไปบัตรมรรคเมองแปดนั่นเองนะมรรคเมืองแปดนั่นแหละเมื่อไปบัตรแล้วเราก็จะเข้าใจในสภาวธรรมนั้นอ่ที่ว่าเป็นนิโรธก็คือเราเดินตามมรรคเมองแปดมรรคเมืองแปดในในอริยสัจสี่บอกว่าต้องทําให้เกิดนะทําให้เกิดก็คือเมื่อเราไปบัดรในนั้นมรรคเมองแปดมรรคเมืองแปดมีไรนะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งจะสวดไปเองนะมรรคเมืองแปดนั่นแหละนะมีอยู่ อ่าแปดอย่างนะที่เราสวดไปแล้วแต่โดยย่อก็คือศีลอ่าสติสมาธิปัญญานั่นเองนะอ่าเราเอามาเน้นในตรงนี้นะในเรื่องศีลสตินะจริงๆแล้วขั้ศีลสติก็พอแล้วสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่ว่าเขาตามมาอ่คนระั้นี้ที่เรามาเริ่มอ่านะด้วยศีลนี่ถูกต้องแล้วนะอ่านะแล้วก็สมาแล้วด้วยสตินี่ก็ถูกต้องแล้วอ่นะพาพอเรามีสติปั๊บเนี่ยสมาธิปัญญาตามมา น, านอนนะ อันนั้นไม่ได้ไปทําแต่เป็นสิ่งเขาตามมานะเพราะนะั้นถ้าเราทําในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะก็ค่อยๆเข้าไปสู่ในข้อนิโรธได้เองนะมันเราไม่ไปทํานิโรธเลยแต่เมื่อทําถูกต้องแล้วจะเข้าสู่นิโรธก็คือวิราคาจะเกิดขึ้นเองก็คือความจางคายความดับไปโดยไม่เหลือตัณหาก็จะเกิดขึ้นเองนะเพราะมันเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะฉะนั้นกินเลยเรานะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยไปที่มันจะละไปเรื่อยๆ โดยที่เราไม่รู้ตัวนะยิ่งเราถ้ามีสติได้บ่อยได้ถี่ขึ้นนะเราก็จะสังเกตนะกายและใจได้ชัดขึ้นนะบางทีเราอานะสังเกตจับยาไปก่อนนะในชีวิตประจำวันแล้วนี่แหละนะการปริวัติธรรก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะเราก็รู้ว่าการยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนนะการก้มการเงยนะการเหลี้ยวซ้ายลายขวา ต่างๆเราเนี่ยเราก็รู้ว่าการกิริยาอในชีวิตประจำวันของเราไปไม่ใช่ว่าเร า, าเวลานี้เป็นเวลาไปบัติธรรมสร้างจังหวะได้ ย, ยังกลมแต่พอหมดจากเวลานี้ไปปุ๊บเราก็ไปพักผ่อนไม่ทําอะไรเลยหรือไปคุยกันไปปล่อยติดปล่อยใจไปอันนั้นเราก็ได้ผลช้านะแต่จริงๆถ้าเราจะได้ผลเร็วก็คือเราทําตั้งแต่ตื่นนอนที่เข้านอนเลยนั่นแหละทําอะไรได้ก็ทําไปนะตื่นมาตอนเช้า แปลงฟันล้างหน้ า, าพัะผห่มก็รู้ไปเรื่อ ย, อยสังเกตไปเ ร, เรื่อยในสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นเออการที่เรามีเครื่องอยู่ในตรงนี้มันไม่ยากแล้วนะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราเอาแต่ปฏิบัติหลังนั้นเราก็ไม่ไม่ไมปล่อยเวลาไปไม่ทำอะไรเลยการที่มันจะเข้าสู่ความนรู้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะช้ามันก็จะช้าไปเรื่อยๆ แต่เราอยู่ในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆทำเล็กทำน้อยก็รู้ไปบางทีเราอาจจะ จ, จะดื่มน้ำ จ, จะาทานข้าวา จ, จะเดินไปไหนมาไหนก็รู้ไปเรื่อยๆนี่แหละการรู้นี้ก็ไม่ต้องรู้ทีเดียวตลอดเวลารู้ทีเดีตลอดเวลาเราก็เครียดเด็กนะบางทีไปคอยเพ่งเอาไว้เออต้องรู้ตลอดเวลานะมันก็ไม่ถูกต้องนะการรู้มันก็รู้แบบสบายๆเนี่ยรู้มัม่งเผลอมั่งเขาเรียวกว่ารู้บ่อยๆ รู้เป็นครั้งครั้งรู้บ่อยๆนี่แหละเป็นการที่รู้ต่อเนื่องแล้วนะมันไม่ใช่รู้ตลอดเวลาแต่การรู้บ่อยๆก็คือรู้ต่อเนื่องทนี้เพราะเมื่อเรามีเครื่องอยู่งจิตแล้วเนี่ยเราจะสังเกตใจได้ไวขึ้นนะเดยวสังเกตเออเมื่อเรามีเครื่องอยู่ปั๊บเนี่ยพอใจคิดแวบเพงก็รู้ทันทีเลยนะคิดแวบก็รู้ทันทีเนี่ยอันนี้เป็นการที่เรียกว่าเราปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมานะคือปลุกสติเนี่ยให้ตื่น ให้มันไวขึ้นนะจากการที่เคยหลงเยอะๆนะเคยเป็นคนจมแช่ในรมต่างๆก็กลายเป็นคนที่สติว่องไวนะมันจะสังเกตการเคลื่อนไหวก็สังเกตได้ไวจิตก็สามารถที่จะสังเกตได้ไวว่าขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นหรือไม่ลบต่างๆเกิดขึ้นก็สังเกตได้ไวมากเพราะจิตนะเขาเรียกว่าตื่นแล้วนะหรือเรียกว่าจิตตั้งมัน่นหรือเรียกว่าจิตรู้เนืน้อรู้ตัวนะรู้เนืน้อรู้ตัวนีแ่แหละ เป็นจิต ท, ที่ตั้งมันได้เองนะอจะสังเกตอาการกายลายการจิตนี้ได้ชัดเจนเราก็สังเกตพวกนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะสังเกตว่าเอออย่างที่ว่าเนี่แหละก็จะเห็นปัตยรักได้ชัดขึ้นถึงความคิดที่มาแล้วก็ไปแวบมาแวบไปเห็นความเกิดความดับของความคิดของอารมณ์ทั้งหลายได้ชัดเจนเลยนะอแล้วจิตก็สรุปได้เองว่านี่แหละมันจะเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาในจิต ท, ที่เขาสรุปในตรงนั้นตรงนี้ ทำไมก็จะกลายว่าเรานะตรงต่อพัฒนธรรมและในสุดเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะมันเป็นสภาวะที่ว่าเป็นแค่สภาวะธรรมเท่านั้นเองไม่ให้ตัวตนบุคคลเราเขาพอหลังจากที่จิสรุปได้แล้วนะจิตก็จะวางในตัวเองดังนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะนั่นแหละก็คือการที่เราพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้นะก็ขอทุกท่านที่มาวัดป่าโตโตนะก็ขอให้ท่าน ทุกท่านได้เจริญมีความสุขความเจริญแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาในตลอดปี2557นี้ทุกท่านเทิน